บุพนิมิต ท, ที่สองโยนิโสมนสิการวิธีการแห่งปัญญาโยนิโสมนสิการที่โบราณแปลสืบมาว่าทำในใจโดยแยบคายหรือมนสิการโดยแยบคายหรือง่ายๆว่าคิดแยบคายเป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี หรือคิดอย่างมีวิธีตามความหมายที่กล่าวมาแล้วขอทูลความย้ำว่าเมื่อทีมในกระบวนการพัฒนาปัญญาโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับเหนือศรัทธาเพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระส่วนในระบบการศึกษาอบรมโยนิโสมนสิการเป็นการฝึกความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตื้นตื้นผิวเผินเป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระทำให้พึ่งตนได้และนำไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริงความสำคัญของโยนิโสมนาสิการ พุทธพ์ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตฉันใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสิการก็เป็นตัวนําเป็นบุพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอาสดางคิกามักแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญ จกทาให้มากซึ่งอริยะอสดางกิกรรมักภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพพานิมิตมาก่อนชั้นใดโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนำเป็นบุพพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงเจดแก่ภิกษุชั้นนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือจักเจริญจักทาให้มากซึ่งโพชฌงเจภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไหมฉันใดนิวรห้าก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไหมอะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนาสิการภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำ ร, ร, รงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไหมฉันใดโพชงเจดก็ฉั้นนั้นเหมือนกัน ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงด ำ, ร ง, ดาา ร, ดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไหมอะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนาสิการภิกษุทั้งหลายเพราะโยนิโสมนาสิการเพราะโยนิโสมะประทานคือการตั้งความเพียรชอบถูกวิธี เราจึงได้บรรลุอนุตตรวิมุตติจึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตตระวิมุตติแม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตตราวิมุตติได้ประจักษ์แจ้งอนุตตระวิมุตติได้เพราะโยนิโสมนัสิการเพราะโยนิโส ม, มับปรทานภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ว่าสำเร็จได้แก่ผู้รู้ผู้เห็นมีชายแก่ผู้ไม่รู้มีชายแก่ผู้ไม่เห็นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อรู้เห็นวิธีทาให้เกิดและไม่ให้เกิดโยนิโสมนสิการและอายุนิโสมนสิการเมื่อมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเพิ่มพูนเมื่อมนนัสิกานโดยแยบคายอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถูกละได้ภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเ่าหนึ่งเราใดก็ตามที่เป็นกุศลอยู่ในผ้ากุศลอยู่ในฝ่ายกุศล ธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดมีโยนิโสมนัสิกานเป็นมูลรากประชุมลงในโยนิโสมนาสิกานโยนิโสมนัสิกานเรียกว่าเป็นยอดของธรรมะเหล่านั้นดูก่อนมหาลิโลภโทสะโมหะอายุนิโสมนสิกานจิตที่ตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทากรรมชั่ว เพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่วอโลภะอโทสะอโมหะโยนิโสมนานสิการจิต ท, ที่ตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำการลาณกรรมเพื่อความเป็นไปแห่งการลัณกรรมเราไม่เล็งเห็นธรรมมาอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมนาสิกาเลยเมื่อมีโยนิโสมนาสิการกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเราไม่แหล่งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ ที่เป็นไปเพื่อความดําโรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งสัตยธรรมเหมือนโยนิโสมนัสิกาเลยโดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เหลงเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนโยนิโสมนัสิกาเลยสําหรับภิกษุผู้เสคขา ยังไม่บราราลุอรหัตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่นแม้สักอย่างที่มีประโยชน์มากเหมือนโยนิโสมนัสิการเลยภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนานสิการย่อมกำจัดอกุศลได้และบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมณสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมณสิการสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้น เราไม่เห็นธรรมะอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้โพชงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือให้โพชงที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เหมือนโยนิโสมนัสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมนัสิการโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและโพชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ เราไม่เหล็งเห็นทามาอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกกำจัดได้เหมือนโยนิโสมนัสิกาเลยโยนิโสมนัสิกาในอสุภาษิมิตเป็นเหตุให้ราค้าไม่เกิดและราคาที่เกิดแล้วก็ถูกละได้ โยนิโสมนาสิการในเมตตาเจโตวิมุตติเป็นเหตุให้โทสะไม่เกิดและโทสะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้โยนิโสมนาสิการโดยทั่วไปเป็นเหตุให้โมหะไม่เกิดและโมหะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้เมือ่อโยนิโสมนาสิการนิวรหายอมไม่เกิด ที่เกิดแล้วก็ถูกกำจัดได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้โพชงเจ็ดเกิดขึ้นและเจริญเต็มบริบูรณ์ธรรมะเก้าอย่างมีอุปการะมากได้แก่ธรรมะก้าอย่างซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลกล่าวคือเมื่อโยนิโสมนสิการปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมท ปีติย่อมเกิดเมื่อมีใจปีติกายย่อมสงบผ่อนคลายคือปัสธิเมื่อกายสงบผ่อนคลายย่อมได้สวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมนิพพิทาเมื่อนิพพิทาก็วิราคะ เพราะวีราคะก็วิมุตติสำหรับในที่นี้ทั้งหมดที่กล่าวมา น, นั้นแต่ละท่อนแตละวะท่านคัดมาจากพระไตรปิฎกต่างที่ต่างแห่งกันนะครับซึ่งมีที่มาทั้งหมดจำนวนมากอยู่ในหนังสือ